เขาบอกว่าเมื่อไรยาจกทั้งหลายไม่ขอเราพึงถือเอาของของเราไปเองใจจริงๆอยากจะให้ของเนี่ยมันเป็นสาธารณะได้เลยเนี่ยนะตั้งไว้เหมือนกับว่าเคยตั้งน้ำดื่ ม, ไ, มไหมไเออใครอยากเด็กก็มาดื่มเลยไม่ต้องมาขอหรอกให้ดื่มให้สบายๆโดยไม่ต้องเอ่ยปากขอเนี่ยนะเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของยาจกทั้งหลายได้อย่างไรทำยังไงนาะยาจกทั้งหลายเนี่ยจะได้ยินดีต่อต่อเรา ก็ว่าเราเนี่ยเป็นนักให้นักให้นักให้จริงๆก็เคยมีความมีกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาแสดงธรรมต่ อ, ต, อต่อหน้าสรัรพพสัตวทั้งหลายเนี่ยสัตว์จะอยู่เป็นล้านๆคนก็ตามสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ากาลังพูดกับเราคนเดียวไม่ได้พูดกับใครเลยเหมือนกับกําลังพูดกับเราอยู่คนเดียวเหมือนอะไรเขาบอกเหมือนดวงจันทร์ ดวงจันเนี่ยนะส่องส่องส่องทั่วโลกอะนะในในในในขอบเขตของดวงจันที่ส่องถึงแต่คนที่ชมจันมีความรู้สึกว่าตัวเองเห็นดวงจันอยู่คนเดียวมีเหมือนว่าดวงจันนี่ส่องให้เราดูแต่เพียงผู้เดียวถามว่านั่นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์เป็นผู้ที่น่าอัศจรรย์นท่ยนะเพราะท่านเนี่ยทยังไงจะให้เป็นที่รักของ สัพพสัตถ์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เป็นที่รักของสัพพะสัตถ์ทั้งหลายพระองค์ก็จะช่วยสัพพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ให้พ้นจากสังสารทุกข์ได้เนี่ยนะท่านท่านบอกว่ายาจกเหล่านั้นพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเรานั้นท่านมีความปรารถนาที่จะให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของยาจกแล้วก็ยาจกเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของท่านถามว่าทำไม พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือผู้ที่สแสวงหาประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีอัธยาศัยรักต่อผู้ขอเนี่ยนะจะไปส่งเคราะห์เข้าได้ไหมที่จะน้อมไปเพื่อโปรดเขาไปเพื่อสงเคราะห์เขาได้ไหมไม่เนี่ยนะเพราะว่าบางแห่งที่ไปโปรดเขาไปสงเคราะห์เขาเนี่ยถิ่นธุรหกันดาน พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางรอบอินเดียทุกปีเนี่ยนะเดินทางจริงๆแลยนะเดินเท้าเนี่ยรอบทุกปีทุกปีทุกปีสี่สิบห้าปีเนี่ยนะถ้าไม่มีอัธยาสัยน้อมไปเพื่อประโยชน์เรียกว่ารักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆและยากเนี่ยนะฉันจึงให้ทานและปลูกฝังว่าเราพึงรักต่ออย่าจบทั้งหลายยินดีต่ออย่าจบทั้งหลายยินดีที่จะให้ยินดีที่จะเพิ่มพูนความสุขให้แก่เขาเราเมื่อให้ก็พอใจ แม้ให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติโสมานะได้อย่างไรนอคิดอยู่เสมอว่าทำยังไงนะเราอยากให้อย่างเต็มใจให้อย่างมีความสุขให้อย่างมีความสุขให้อย่างมีปัญญาประกอบให้เสร็จแล้วก็มาตามนึกตามรำพพงถึงการให้อย่างปลื้มใจนึกถึงการให้เมื่อไหร่ก็ปลื้มเนี่ยเรลว่าอิ่มใจอิ่มใจเนี่ยนะสบายใจอิ่มใจ เกิดปีติโสมนัสดีใจเหลือเกินที่ได้ให้เนี่ยนะถ้าไม่ได้ให้จะเป็นอย่างไรเนอะเสียใจแย่ถ้าไม่ได้ให้ถ้าไม่ได้ให้เลยไม่รู้จักให้เลยเนี่ยนะเชื่อไหมเท่าที่ฟังมานี่มันแห้งแรงตลอดคนที่ไม่เคยให้นะฟังคําเรื่องให้นี่มันใจมันเฉาบอกไม่ถูกแต่ถ้าผู้ที่ให้มากๆเนี่ยนะใจจะเอิบอิ่มเนะนี่ยนะมันผู้ที่ให้บ่อยๆ ย, ยิ่งฟังการให้ใจก็ปีติโสมนัสเกิดขึ้นนั้นทํำยังไงนะจะได้มีปีติโสมนัสได้บ่อยๆ ยาจกทั้งหลายของเราเนี่ยนะเพิ่งมีได้อย่างไรทำยังไงนะเขาจะได้มีเนี่ยนะเขาจะได้มีด้วยพวกข้ศัพย์จริงท่านให้ธรรมทานด้วยนะทำอย่างไรยาจกทั้งหลายผู้ขอทั้งหลายจึงจะเจริญด้วยพวกขรัพย์และเจริญด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะทำอย่างไรเราจรึงจะเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวาง ไม่มีคำว่าพอในการให้ทำยังไงนะใจของเรายินดีแต่จะให้มีแต่เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มปริมาณของใจที่ให้อยู่ตลอดเวลาทำยังไงนะอัธยาสัยของเราเนี่ยแห่งการให้ทานมันจะกว้างยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปยาจกทั้งหลายถึงจะไม่ขอเราจะรู้ใจของยาจกทั้งหลายได้อย่างไรแล้วจึงจะให้หมายก็ว่าเรานี่จะให้เขาได้อย่างไรเนี่ยนะ คือบางทีเนี่ยน ะ, ะยาจบของบางคนเนี่ยเขาเขาไม่มีแต่เขาไม่อยากได้ของใครมานะมากบางคนเนี่ยนะไม่เอา ท, ทอีนี้อนี้อัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระโทธศาสัตว์ก็คือเราจะให้เขาได้อย่างไงหาช่องที่จะช่วยเหลือคนนี้ได้อย่างไรนั้นอัธยาศัยตัวนี้นี่แหละพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถามว่าสัตว์ทั้งหลายโดยมากอยากบรรลุมรรคผลไหมสมัยก่อนบางกลุ่มเนี่ยนะเกลียดพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าอะไรอีก แต่พระองค์เนี่ยไปเพื่อสงเคราะห์เขาอ่ะนะเขาไม่อยากเห็นพระพุทธเจ้าบางคนเนี่ยหลบที่จะเห็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพระองค์ก็ทําในไปดักโปรโดของเขาโปรโดจนสําเร็จได้นะอย่างบางคนเนี่ยไม่อยากเห็นสมณะโลนเลยพระพุทธเจ้าทําไงพระองค์ก็คลุมศีรษะไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> คลุมศีรษะไว้ก่อนและตอนหลังยังจะไปโปรโดเขาได้สําเร็จบางคนนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรทั้งนั้นพระองค์ก็หาวิธีที่จะสงเคราะห์เขา คือสรุปว่าบารมีสิบเนี่ยนะมันจะต้องมีอัธยาศัยมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์พฤติกรรมของของพระพุทธเจ้าโดยมากเกิดจากการสั่งสมมาในอดีตสั่งสมมาอัธยาศัยอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยนะจะให้แม้กระทั่งผู้ไม่ต้องการเรียกว่าเหมือนกับว่าอย่างให้บางอย่างแล้วโดยที่ขณะรับเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่ในที่สุดเขาก็รู้จนได้เพราะเขาจาเป็นต้องต้องใช้เนี่ยนะ เมื่อทรัพย์มียาจบมีการไม่บริจาคเป็นความหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงก็บอกว่าถ้าทรัพย์ก็มีผู้มาขอก็มีถ้าเราไม่ให้ใครมันจะหลอกลวงเท่าเราในโลกนี้นักมหามายาแปลว่ามหาหลอกมหาลวงว่างั้นใครมันจะลวงเท่าเราท่านดูถูกตัวเองขนาดนั้นนะถ้าผู้ขอมีทรัพย์เราก็มีเราไม่ให้ เราคือนักมายาที่ยิ่งใหญ่เหมงอนันนี่ยเรานี่คือมหาหลอกมหาลวงมหาอะไรนะหลอกลวงใหญ่หลวงมากใจหลวงเรามันยิ่งใหญ่นะแปลว่ามหาเหงือนกันเะมหามายาแปลว่าสุดยอดของนักหลอกลวงเหมือนกันคือหาช่องว่าปิดช่องที่จะไม่ให้เปิดประตูไว้ประตูเดียวคือประตูจะให้คิดดูนะถ้าบอกว่าไม่ให้แบบตั้นตำหนิตัวเองด่าตัวเองก็เรียกว่าใครจะกล้าด่าว่าใครมันจะมีมาร ย, ยาเท่าเราวหมงอนันนะ่ยนะ ของเราก็มีผู้ขอก็มีทําไมเราไม่ให้ถ้าเราไม่ให้ก็แสดงว่าเรานี่มารยาใหญ่มากเนี่ยนะมารยาใหญ่ยังไงใหญ่เนั่นากไหนนะว่าบอกว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของที่จะให้ก็มีคนขอก็มีแต่ไม่ให้ใครจะลวงเท่าเราเนี่ยนะโอ้ยมหาหลอกว่างั้นแล้วขนาดของภายนอกเรายังให้ไม่ได้อย่างนี้เราจะเพ่งสละอวัยวะแขนขาเนื้อเลือดหรือชีวิตของตนให้แก่ยาจกได้อย่างไร ใช่ไของทั่วๆไปภายนอกยังให้ไม่ได้จะบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตได้อย่างไรอันหนึ่งถ้าว่าผู้ขอเป็นที่รักก็ดีใจว่าโอ้ผู้ขอเป็นที่รักของเราคือบางคนเนี่ยนะอยากให้คนรักขอมากเลยนะเพราะถ้าเมื่อมอีคนที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเช่นบุตรภริยาหรือว่าคนที่เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนอะไรเนี่ย แม้ถ้าเขามาขอก็ดีใจว่าโหนี่คนที่เราชอบที่สุดเขามาขอเราเต็มใจที่สุดยกให้ถ้าหากว่าผู้ขอเป็นคนทั่วไปคนเฉยๆเห็นแล้วก็เฉยๆเวลาเขามาขอก็ดีใจอีกว่ายาจกนี้ขอเราย่อมเป็นมิตรของเราด้วยการบริจาคแน่แท้แม้ผู้ให้ก็เป็นที่รักของอยาจกทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่ยเขามาเชื่อมสัมพันธ์ธาไมตรีกับเรานะเขาจึงมาขอเรา เพราะฉะนั้นเราเนี่ยได้มิตรแล้วได้อุปการะแล้วให้เขาไปเลยเนี่ยนะเท่ากับว่าผูกมิตรได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันคนทั่วๆไปเฉยๆที่ตัวเองไม่สนใจมาขอก็ดีใจอีกเฮ่อถ้าผู้มีเวรมาขอแล้วก็ไดีสศัตรูมาขออันนี้ต้องดีใจเป็นพิเศษวันท่านบอกว่าดีใจเป็นพิเศษโสมนัสเป็นพิเศษว่าโอ้ศัตรูของเรายังขอเราวันศัตรูนี้เมื่อขอเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเวร ย่อมเป็นมิตรที่รักด้วยการบริจาคนี้แน่แท้ต่อไปนะเมื่อมีการให้ครั้งนี้เลิกผูกเลิกเวรเลิกล้างเลิกผลานกันสัทีขอให้เราได้ช่วยคู่เวรให้มีความสุขเนี่ยนะเขาจะได้เลิกเป็นเวรเลิกเป็นภัยต่อกันสัทีขนาดคู่เวรข อ, อย่างดีใจเป็นพิเศษเลยไม่จำต้องกล่าวถึงผู้อื่นว่า ง, งั้นสรุปว่าคนที่เรารักที่สุดมาขอก็ดีใจคนทั่วๆไปมาขอก็ดีใจถ้าเป็นศัตรูมาข อ, อ, อพิเศษเอาไปเลยเนี่ยนะ ทีนี้ขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าพึงยังเมตตากรุณาเป็นเบื้องหน้าให้ปรากฏแล้วก็พึงให้แม้ในบุคคลผู้เป็นกลางกลางแล้วก็คนที่มีเวรคือหมายคําว่ากรุณาเนี่ยนะมีใจกรุณานําหน้าในผู้มีเวรหรือคนกลางกลางเนี่ยคือเขานี่ยน่าสงสารขนาดไหนถ้าเขาไม่มีสิ่งนั้นเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนพันสมควรแล้วที่เราจะให้เขาสมควรแล้วที่เราจะให้เขา เหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะเห็นเขาเดือดร้อนก็เอาอาหารไปให้เอายาไปให้ถ้าเขาไม่ได้รับอาหารเขาไม่ได้รับยาเป็นต้นเขาจะเดือดร้อนเพียงใดเนี่ยนะหรื อ, อเพิ่มภูนประโยชน์เขาจะได้รับประโยชน์และความสุขเพราะว่าการุณานั้นมุ่งบำบัดความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายเมตตาก็น้อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่นี้ถ้าหากว่าโลภความโลภเกิดขึ้น ในวิสัยแห่งไทยธรรมแปลว่าอุยของรักของห่วงมากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะโลภะี่ตัวเองอบรมมาช้านานสั่งสมมานานแล้วเพราะนของรักของชอบใจเกิดมาชีวิตไฝ่ฝันอยากจะได้ของแบบนี้แหละหมายความว่าอู้เป็นของที่ตัวเองรักที่สุด ห, ห่วงแหนที่สุดทนุถนอมที่สุดอยากได้มานานสั่งสมความอยากได้สิ่งเหล่านี้มานาน ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพึงสำเนียกคือทำศึกษาว่าทำศึกษาบอกกับตัวเองคุยกับตัวเองเลยว่าท่านสัพบรุษท่านบำเพ็ญอภินิหารตั้งความปรารถนาเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือท่านบอกว่าท่านได้สละกายนี้เพื่ออุปการะแก่สรรพสัตว์และก็บุญสาเร็จด้วยการบริจาค ก, กายนั้น ท่านตั้งใจไว้ท่านจะสละแม้กระทั่งร่างกายให้เป็นทานเพื่อเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ใช่ไหมใช่วางนั้นแล้วความคล้องในวัตถุภายนอกของท่านเนี่ยเป็นเช่นกับอาบน้ําให้ช้างวางนั้นเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรให้เกิดความติดข้องในที่ไหนๆท่านท่านไม่ต้องติดในของภายนอกหรอกเพราะไอ้ของภายนอกถึงท่านจะรักท่านจะหวงขนาดไหนมันก็รักกายมากกว่ากายของท่านท่านก็ยังจะให้ได้แล้วของภายนอกทําไมจะให้ไม่ได้วางนั้น เขาบอกว่าผู้ที่จะให้ต้องฉลาดอุปมาเหมือนกันนะเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นยาเกิดขึ้นต้นไม้ใหญ่มากแล้วทุกอย่างเป็นยาหมดเช่นรากก็เป็นยาสเก็ตก็เป็นยาเปลือกก็เป็นยาลำต้นก็เป็นยาคาคบก็เป็นยาแก่นก็เป็นยากิ่งก็เป็นยาใบก็เป็นยาดอกก็เป็นยาแม้แต่อยางคล้ายๆลขี้เหล็กเนี่ยขี้เหล็กทั้ง5้ารากก็เป็นยาลำต้นก็เป็นยาแก่นก็เป็นยาใบก็เป็นยาดอกก็เป็นยาเป็นต้น เรีว่าทุกอย่างเป็นยาหมดยกตัวอย่างนะขี้เหล็กนี่เป็นยาจริงนะขี้เหล็กทั้งห้าเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพวกสายสมุนไพรก็จะเรียกว่าขี้เหล็กทั้งห้าแปลว่าต้นขี้เหล็กนะไม่ใช่สนิมเหล็กต้นขี้เหล็กทั้งห้า ก, ก็คือตั้งแต่รากลําลต้นกิง่งใบแล้วก็ดอกเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นยาหมดชั้นใดเนี่ยนะสมมุต bon ิต้นไม้เป็นยาเนี่ยนะต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยคิดว่าพวกนี้จงนําของของเราไปฉันใด เมื่อกายไม่สะอาดคือปฏิกูลเป็นนิดจมอยู่ในกองทุกใหญ่อันเราพูดถึงความวขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกการประกอบเพื่ออุปการะแก่สัตว์เหล่าอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกแม้เล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นฉันนั้นคิดดูเลยว่าต้นไม้ที่เป็นยาเนี่ยนะทุกอย่างถ้าผู้ใดปรารถนาจะเอาไปทำเป็นยาก็เอาไปเถิด ผู้ใดต้องการรากก็จงเอารากไปผู้ใดต้องการกิ่งใบต้องการสเก็ดต้องการแก่นดอกผลที่เป็นยาเอาไปเถอะฉันใดต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะเหมือนกับไม่มีจิตใจยินดีให้เอาไปฉันใดเราก็ฉันนั้นเนี่ยนะพันผู้ใดปรารถนาผู้ใดต้องการสิ่งดใดจงเอาไปเถิดอันนี้อีกอีกวิธีหนึ่งก็พิจารณาแบบลึกซึ้งบอกว่าธรรมดากายนี้เนี่ยนะเป็นรู ป, ปรธรรมใช่ไห เป็นรูปธรรมเมื่อกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นมหาพูดเป็นสิ่งที่มีการกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเป็นของที่มีการกระจายมีการกาจัดเสียหายไปโดยส่วนเดียวขนาดของภายในอย่างเสียหายแล้วของภายนอกแต่ข้อนี้เป็นความหลงและความซบสาอย่างเดียวถ้าหากว่าถ้าเรารักถึงห่วงแหนขนาดให้ไม่ได้เนี่ยนะ ถ้าให้ไม่ได้นี่เป็นความโง่ ข, ของเราอย่างเดียวเป็นความซบเซาของเราอย่างเดียวนะซบเซาแปลว่าอะไรแปลว่าซบเซานั่นแหละเพราะอะไรเพราะซบเซาด้วยการยึดถือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราจะแปลว่าความโง่ขเขลาความหลงงมงายความยึดติดความหลงของเราแท้ๆเพราะฉะนั้นผู้ไม่คํานึงในมือและเท้าหรือตาเป็นต้นเนื้อเป็นต้น แม้วัตถุภายในเหมือนกับวัตถุภายนอกมีใจเสียสละมีใจน้อมไปเพื่อเสียสละจริงๆผู้ใดต้องการวัตถุภายนอกทั้งหลายก็จงเอาไปเถิดเหมือนกับผู้ใดต้องการต้นไม้ที่เป็นยาจะเอาส่วนไหนไปก็ เ, เอาไปเถอะฉันใดผู้ใดต้องการวัตถุภายนอกหรือต้องการวัตถุภายในขอผู้นั้นจงนำไปเถิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจนีตั้งความปรารถนาเพื่อ ประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายจิตใจในี่มุ่งเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรพรพสัตว์อยู่เสมออันหนึ่งพระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้ว่าการประกอบความเพียรเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะการประกอบความเพียรหรือการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่คํานึงไม่อะไราในร่างกายและชีวิตขณะเดียวกัน จะต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมนั้นผู้ที่กายกรรมก็บริสุทธิ์วจีกรรมก็บริสุทธิ์มีมนโนกรรมก็บริสุทธิ์บำเพ็ญภาคเพียรพยายามเพื่อการตรัสรู้โดยไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตเขาจะบรรลุได้โดยไม่ยากเลยถ้ามหาบุรุษนั้นมีกายกรรมมีวจีกรรมมีมนโนกรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยดีมีอาชีพบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นผู้สามารถเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัพพตว์ด้วยการถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและฉลาดในอุบายด้วยการบริจาคไทยธรรมโดยประมาณอย่างยิ่งคือโดยโดยู้ถึงการให้เนี่ยนะถ้าแบ่งๆ่งไปแล้วเนี่ยการให้มีอยู่สามประเภทด้วยกันให้อย่างที่หนึ่งเาเรียกว่าให้ไทยทานทยทานหรือวัตถุทาน อย่างที่สองให้อภัยทานอย่างที่สามให้พระสัตยธรรมหรือให้ธรรมทานเนี่ยนะมันด้วยการให้การตั้งความปรารถนาเพื่อจะให้ไม่ใช่ให้แต่ทายทานหรือให้แต่วัตถุอย่างเดียวเท่านั้นให้แม้กระทั่งอภัยให้อภัยก็คือศีลส่วนให้ธรรมะที่เหลื อ, ต, อต่อไปก็เป็นให้ให้ธรรมะเนี่ยนะทานบารมีก็คือให้วัตถุทานศีลบารมีก็คือให้ อภัยทานที่เหลือหลังจากนั้นไปเนคธรรมปัญญาวิริยะเป็นต้นก็จะเป็นธรรมทานละมันชีวิตของท่านก็คือชีวิตที่เกิดมาเพื่อการให้การให้ของท่านก็เพื่อสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานก็เพื่อที่จะให้ประโยชน์ให้ความสุขแกส่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองอันหนึ่งพึงพิจารณาศีลบารมีอย่างนี้ว่า นนะเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงพิจารณาว่าโทษของการไม่ให้และผลประโยชน์ของการให้ผลประโยชน์ของการให้การให้เป็นเหตุแห่งความสุขในโลกนี้และโลกหน้าเป็นเหตุให้ได้พุทธภูมิที่สาคัญถ้าไม่มีการให้ไม่มีการเสียสละเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมบอกเป็นไม่ได้หรอกเพราะนี้ก็เลยยินดีในการให้ตำหนิตัวเองว่าถ้าไม่ให้ก็คือนักมายาผู้หลอกลวงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ต่อไปพิจารณาศีลเนี่ยนะพิจารณาโทษของการไม่รักษาศีลและก็คุณประโยชน์อ น, นิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลว่าศีล น, นี้เป็นน้ําชําระความเศร้าหมองคือโทษอันไม่อาจชําระได้ด้วยน้ําในแม่น้ําคงคาเป็นต้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องชําระความเศร้าหมองความเศร้าหมองทางกายทางวาจาทางอาชีพถ้าไม่เอาศีลมาชําระนี่เอาอะไรมาชําระ เอาน้ำแม่น้ำเจ้าพยาคงคาเป็นต้นมาชำระให้ไหมบอกไม่ได้เนี่ยนะพันโทษทั้งหลายความเลวร้ายทั้งหลายความชั่วร้ายทั้งหลายศษเนี่ยเป็นเช่นกับน้ำชำระเนี่ยนะเหมือนอย่างว่ากายที่ปฏิกูลชำระด้วยน้ำฉันใดโทษทางกายวาจาก็อาศัยคุณธรรมคือศีลเป็นเครื่องชำระฉันนั้นเนี่ยนะเเป็นการกำจัดอันตรายอันตรายที่เกิดจากราคะ เป็นอันตรายที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยจันเหลืองเป็นต้นเส้นอันตรายที่เกิดจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะอันตรายเหล่านี้อันตรายที่เกิดจากบาปอากุศลจันเหลืองก็แปลว่าแป้งเอาแป้งยี่ห้อไหนมาทาสมามติว่าเอาแป้งยี่ห้อไหนมามาแหมมากำจัดอันตรายความเสียหายเช่นถ้าเป็นผดผื่นคันตามตัวยังเอาแป้งมาทายัยงจะพอหายได้ ถ้าอันตรายเป็นตุ่มคือราคะตุ่มคือโทสะเป็นต้นที่มันเกิดที่ใจเนี่ยนะเอาอะไรมาเป็นชําระละ่ะกทั้งเอาศีลเพราะศีลนเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดอันตรายออกไปศีลเป็นเครื่องประดับอย่างวิเศษของคนดีทั้งหลายเป็นเครื่องประดับที่ไม่ทั่วไปด้วยเครื่องประดับของชนเป็นอันมากเช่นสร้อยคอมงกุดต่างหูเป็นต้นเนี่ยนะไอ้เครื่องประดับเหล่านั้นเนี่ยยิ่ยงประดับมากเนี่ยไม่แน่นะว่าชีวิตจะยาวหรือเปล่า ใช่ประดับตู้ทองเคลื่อนที่ตู้เพชรเคลื่อนที่เครื่องเงินเคลื่อนที่เป็นต้นเนี่ยนะถามว่าน่าจะอายุยืนใช่ไหมดูท่าจะยากกันส้อยคอนั่นแหละกระตุกสักคอขาดเลยบางทีเพราะว่าของเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นของที่สาธารณะแต่ผู้ที่ประดับเครื่องประดับคือศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่ไม่สาธารณะไม่มีใครมาปล้นเอาไปแน่ ย, ยงไแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ใช้ได้ทั้งโลกนี้แหละ โลกหน้าผู้มีเครื่องประดับภายนอกเนี่ยนะไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีอารักขายิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเครื่องประดับคือศีลเนี่ยนะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องมีคนอารักขาเนี่ยนะชีวิตของผู้มีศีลเนี่ยเป็นชีวิตที่มีเครื่องประดับที่ตัวเองอุ่นใจที่สุดเนี่ยนะจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องอบอุ่นใจเท่ากับคุณธรรมคือศีลกลิ่นของศีลเนี่ยย่อมหอมฟุ้งทั่วไปทุกทิศแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะสม ทุกการทุกสมัยคือคนมีศีลคนดีเนี่ยนะมีล้าสมัยบ้างไหมชั้นใดก็ดีเหมือนกับกลิ่นที่ไม่มีล้าสมัยเป็นกลิ่นที่หอมหอมยิ่งเรียกว่าคนมีศีลนะยิ่งยิ่งมีศีลถ้ายิ่งศีลนานเท่าไหรยิ่งมีคุณค่าเท่านั้นน่ยนะไม่เหมือนกับแป้งหอมแป้งฝุ่นนะทาไปนานๆเนี่ยจะเป็นยังไงกลิ่นเปลี่ยนเปลี่ยนกลิ่นเลยใช่ไหมไม่เหมือนกลิ่นสีนะกลิ่นศีลถ้ารักษาตั้งแต่เด็กไปจนถึงตายเนี่ยนะจะมีคุณค่าขนาดไหนแป้งทาครั้งเดียวรอดไหมไม่ยาก แต่ว่าสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลเนี่ยหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศไปถึงไหนหอมไปจนถึงพรหมโลกว่างั้นแล้วถามว่าอํานาจอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับอํานาจคือศีลเพราะนํามาซึ่งคุณอันกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นและเทวดาทั้งหลายควรไหว้เขาบอกว่ากษัตริย์เนี่ยนะปกติแล้วไม่ไหว้ใครถ้าพูดระดับคนธรรมดา ท, ทั่วไปกษัต ร, ริย์ท่านไปกราบใครไหมแต่กราบผู้มีศีลเนี่ยนะกราบผู้มีศีล เทวดาทั้งหลายไม่ใช่จะไหว้ใครง่ายๆนะแต่ไหว้ท่านผู้มีศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่อำนาจยิ่งกว่าพระราชา mistakes. เพราะพระราชายังกราบไหว้ผู้มีศีลคนอื่นๆทั่วๆไปนี่แหมต้องทำเรื่องไปขอเข้าเฝ้าพระราชาแต่พระราชาต้องทำเรื่องเข้าเฝ้าผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ามีอำนาจยิ่งกว่าพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะ ถามว่าบันไดสู่สวรรค์บันไดสู่เทวโลกบันไดสู่สวรรค์ชั้นจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปะรนิมมิตตะวสวัสดีบันไดไหนมันจะยิ่งกว่าบันไดคือศีลใช้บันไดอย่างอื่นได้ไหมบันไดเลื่อนบันไดอย่างอื่นได้ไหมสําเร็จไหมไม่สําเร็จบันไดคือศีลนี่แหละที่จะก้าวไปสู่เทวโลกทั้งหลายจาตูมดาวดึงเป็นต้นถามว่าอุบายเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทําให้บรรลุฌาน ถ้าไม่มีศีลเป็นไปได้ไหมเอาง่ายๆว่าถ้าไปทูศีลมาเนี่ยนะเจริญพุทธคุณเริ่มต้นก็ยากแล้วว่างั้นอิติปิโสก็ใจลอยแล้วพันศีลเนี่ยเป็นอุบายเครื่องบรรลุฌานเป็นที่ตั้งรองรับอภิน ญ, ญาทั้งหลายศีลเป็นมัดขา่าเป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุมหานครคือพระนิพพานถ้าไม่มีอารยามรรคอันประกอบไปด้วยองแปด สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะการตรัสรู้เริยสัตย์จะมีได้ไหมมีไม่ได้นะเพราะศีลจึงเป็นมัคคาแห่งพระนิพพานเป็นทางแห่งพระนิพพานศีลเป็นภูมิที่รองรับปฏิสถานสาว ก, กโพธิญาณการตรัสรู้ของพระสาวกทั้งหลายก็ต้องมีศีลรองรับการตรัสรู้ของพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีศีลรองรับจะกล่าวไปยายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะรักษาศีลขนาดไหนท่านจะมั่นคงอยู่ในศีลเพียงใดจึงได้ตรัสรู้พัะศีลเป็นภูมิเป็นที่ปฏิสถานเป็นที่รองรับการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งศีลย่อมเป็นแก้วสารพัดนึกและเป็นเช่นกับต้นกลัประพฤกเพราะเป็นอุบายให้สําเร็จความปรารถนาทั้งปวงก็บอกว่าถ้าผู้มีศีลเนี่ยนะ อยากได้อะไรเอามาอยากได้อะไรปรารถนาอะไรเขางั้ น, นเพราะาผู้มีศีลเนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จสิ่งนั้นเขาบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะมีทรัพย์อย่างอื่นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปรารถนาสิ่งใดๆแล้วจะสําเร็จแต่ผู้มีศีลปรารถนาสิ่งใดๆก็ สำเร็จเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปรารถนาจะเกิดเป็นพระมหาสาลเครบดีมหาศาลกษัตริย์มหาสาลปรารถนาจะเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยอาศัยศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ปรารถนาแล้วสำเร็จผู้มีศีลนี่มีความมั่นใจว่าตัวเองปรารถนาสำเร็จแน่แต่ถ้าไม่มีศีล อ, อะไรมาแหละก็ได้แต่ไปอ้อนวอนเที่ยวอ้อนวอ น, อ น, อนตรงนั้นอ้อนวอนตรงนี้ขอร้องเพื่อท่านจะโปรดปรานชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเที่ยวอ้อนวอนอยู่นั่นแหละ แต่ผู้มีศีลจะไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่ความมั่นใจศีลเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าตัวเองสําเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้มีศีลปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จหรือว่าศีลเนี่ยน ะ, ะความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้มีศีลผู้มีใจบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่เพราะผู้มีศีลปรารถนาสิ่งใดไม่สําเร็จบ้างเนี่ยนะ แต่ตามอนุภาพของศีล น, นะไม่ใช่ว่าสมาทานเสร็จแล้วขอเลยยังไงนะนี้มันก็มันก็เกินไปคุณภาพศีลตัวเองดีขนาดไหนอะ่ะแต่ถ้าคุณภาพศีลคือศีลระดับโสดาปฏิมาศาก า, าคารามีมกักอนาคารามีมกักถ้าอักศีลระดับอรหัตตมักนี้ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยไม่ยากแต่ว่าเพึ่งศีลตานาติปาตามมหากุศลดวงที่แปดแหมเกิดจะปุะ๊บเป๋เต็มทีเนี่ยนะถ้าอย่างงี้จะเอาไปทาําอะไรสําเร็จเนี่ยนะ มันก็ต้องให้มันคู่ควรกับความปรารถนาหน่อยนะต้องมีคุณธรรมคู่ควรกันหน่อยอีกอย่างหนึ่งพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในอากังเขยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปันณาพระ อ, องค์บอกว่าหากพิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ต้องไปทําอย่างอื่น เธอพึงทําให้ถึงความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพอกพูนศูนยาคารเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าดํารงอยู่ในศีนแล้วเนี่ยไม่ต้องขอร้องให้คนอื่นมายกย่องหรอกคนอื่นเขาก็ยกย่องเขาอยากยกย่องคนมีศีลเขาไม่อยากยกย่องหมาโจรหรอกเพรา ะ, ะนั้นถ้าตัวเองมีศีลดีจริงๆเนี่ยใครเขาก็ยกย่องแลว้วพ่อของก็ตรัสอีกเมื่อกี้นในนายอากังขยสูตรอีกสูตรหนึ่งในกิมัพทิยสูตร อังคุตระนิกายทัศกานิบาศกับเอกาทัศกาลนิบาศกพระองค์ตรัสกับพระอนนที่พระอนุนมาถามว่าศีลที่เป็นกุศลนี่มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงสนะพระองค์บอกว่าดูก่อนอนุ์ศีลที่เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนหรืออาวิปัิสารเป็นประโยชน์แล้วอาวิปัิสารก็มีประโยชน์เพื่อปราโมทปราโมทเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติประโยชน์เพื่อปัสสติปัสสติเพื่อประโยชน์แก่สุขสุเพื่อประโยชน์แก่ สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูตยานทัศนะเป็นต้นนั่นเองพันศีนเนี่ยนะนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจอีกสูตรหนึ่งบอกว่าดูก่อนเครือ่ายบดีทั้งหลายในปาตลิคามิยะสูตรเนี่ยน ะ, ะผู้มีศีนเนี่ยนะผู้มีศีลเป็นยังไงอันนี้สงห้าประการของผู้มีศีนก็คือมีอะไรบ้างที่ฟังมาแล้วในปาตลิคามิยะสูตร เป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเป็นต้นเนยนะไม่เก้อเขินเป็นคนที่องอาจเข้าสู่ประชุมใดๆก็ไม่เก้อเขินเป็นคนที่ไม่หวาดไม่ระแวงไม่สะดุง้งเป็นต้นเนยนะไม่หลงทำกาละแล้วก็เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนั้นก็เป็นอนิสงค์ของศีลหรือจะต้องพิจารณาคุณของเรียว่าประโยชน์ของการมีศียในศีลสัมปท า, าสูตรเป็นต้น ความสมบูรณ์ของมูมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปศึกษาพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเกี่ยวกับเรื่องศีลเพราะใครที่รู้ผลรู้กำไรรู้อ น, นิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลที่จะไม่รักษาศีลไม่มีเนี่ยนะเพราะถ้าไม่รักษาศีลก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าทูศีลถ้าทูศีลไปไหนก็หวัวช่วงนี้ไปอ่านเรื่องนรกนรกมาหลายสูตรแล้วกันก็ ถ้าไม่ทำบุญจะไปไหนเนี่ยนะก็ไปทำบาปแค่นั้นละแล้วทำบาปแล้วนรกเขาไว้เผาใครอย่างั้นก็ไปอ่านว่าไอ้นรกเนี่ยนะเอเวจีนรกอย่างเดียวเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณ1 6่งแหมื่นตารางกิโลเมตรเนี่ยนะม่นตารางกิโลเมตรเนี่ยนะพื้นที่บริเวณนะกว้างยาวลึกกว้างอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแปลว่า 1,60,000 หมื่นตารางลูกบาทกกิโลเมตรอย่างนั้นเถอะ ก็ว่าสับอยู่ในนั้นเหมือนแป้งอยู่เหมือนฝุ่นแป้งที่อยู่ในกระป๋องอะ่ะถามว่าพื้นที่เท่านั้นเนี่ยอยู่กี่ตัวดีนะสูบทั้งโลกอีกไม่รู้กี่โลกก็ไปลงในนั้นหมดอ่านะเพราะนั้นถ้าทําชั่วไปว่าของเราเนี่ยไปขี้ผงนิดเดียวที่ไปอยู่ในนั้นแค่นั้นน่ยถ้าหลุดไปที่นั่นอ่านะเดือดร้อนแน่เพราะนั้นแล้วมันไม่ใช่มีขุมเดียวนรกเนี่ยมันมีมีใหญ่ใหญ่อยู่แปดขุมแล้วแปดขุมมันมีบริวารอีกสี่ขุมอ่าบริวารของแต่ละนรกสี่ขุมแล้วมันมีเศษเศษอีก รอบๆ อ, อีกเรียกว่าอุสธานรกเนี่ยนะอุสธายังมีบริวารพิ่พยมมาโลกอีกก็ไล่ไปเหอะมีหลายร้อยเป็นร้อยขุมนะร้อยกับาขุมแล้วก็แต่ละคุมเนี่ยโอ้จุได้ไม่มีประมาณเนี่ยนะสูบลงไปเหอะนี่ท่านถามว่าถ้าทูตสีเนี่ยไปไหนอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ขู่นะเล่าให้ฟังจะไปก็ตามใจก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนบอกพระนี่ดีได้เอานรกมาขู่บอกไม่ได้ขูเ่เราให้ฟังเนี่ยนะ ถ้าไปยังไงก็อย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้แล้วไม่เชื่อเองเหมือนกันเราพูดแบบพวกเปรตทุศานาโสงไหมมาโอ้ยไม่น่าเลยเพื่อนเอ้ยเหมือนกันอ้าวมาด้วยกันเลอบอกมาสิเนี่ยนไะปนไหนอ่ะเนี่ยนะเพราะว่าอย่างว่านะบุญบาปมันเป็นของมีอยู่จริงเนี่ยนะก็ไม่มีจริงก็ดูพวกเดราชาดเนี่ยทำไมเดราชานมีได้ถ้าเดราชาดมีได้ทําไมนรกมันมีไม่ได้เนี่ยนะและไอ้ไฟที่มันประทุที่ลาวาเนี่ยข้างล่างมาจากไหนล่ะ มุดไปดูสิไม่เชื่อ